ก็กราบบูชาปรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทีหลวงพ่อคำเขียนขอกราบกระวะหลวงพกล่มพระอาจารย์ทรงสินปพระอาจารย์วัฒนาชัยเพื่อนศาสตธรมิกเจริญพรมายังแม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งตามปกติเนาะ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะก็ผ่านมาได้หลายชั่วโมงแล้วเราก็คงจะมีความรู้สึกว่าเออมันก็เป็นความใหม่นะของปีพศนะแต่ในความรู้สึกของเราบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าใหม่แต่บางคนก็เฉย มันจะใหม่มันจะเก่ามันก็เป็นเรื่องที่เราสมมุติกันขึ้นมานะวันเวลาเปลี่ยนไปนะสิ่งที่แน่นอนก็คือความเปลี่ยนแปลงนะอย่างที่เราได้สาธยายมนนะไปเมื่อสักครูนนะ่นี้นีนเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะเราจะว่ามันใหม่หรือจะมันเก่านะก็แล้วแต่ แต่ละคนจะให้ค่านะหรือว่าเห็นความสำคัญนะในช่วงเมื่อคืนนี้กับคืนนีนะ้บางคนก็อาจจะรู้สึกธรรมดาแต่บางคนก็รู้สึกโอโ้เมื่อวานตื่นเต้นเหมือนจะหมดปีแล้วนะปี2 5งนหะสแล้วก็จะขึ้นปีใหม่ นะบางคนก็รู้สึกตื่นเต้นนะที่จะได้รับสักรารใหมนะ่แล้วก็ไม่หลับไม่นอนกันเลยนะสุดท้ายเมื่อคืนพอหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะหลังจากเขาดาวกันเรียบร้อยแล้วก็สลบกันหมดเลยเงียบนะอันนั้นก็เป็นบรรยากาศเนาะเป็น ความรู้สึกในการตื่นเต้นในสิ่งที่เราสมมุติกันว่าเป็นวันสิ้นปีนะแล้วก็ขึ้นปีใหม่นะซึ่งคนไทยเนี่ยว่าไปโชคดีเหมือนกันนะมีปีใหม่หลายวันวันที่หนึ่งมกราเนี่ก็ถือว่าเป็นปีใหม่สากลวันสงการก็เป็นปีใหม่ของไทยเราเดี๋ยวเดือนปลายเดือนนี้หรือเดือนกุมภาก็ตุ๊จีนอีก นะเรียกว่ามีกันหลายปีใหม่นะคนจีนแล้วคนไทยเราอนะันี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราสมมุติกันขึ้นมานะแล้วก็อาจจะมี <c oughs> ความตื่นเต้นะกับความเปลี่ยนแปลงความแปรเปลี่ยนความใหม่ใจของเราในี่มันขี้เบือ่อนะมันอยากจะเจออะไรใหม่ๆแล้วนะเราก็สมมุติกันขึ้นมา นะว่าวันใหม่เดือนใหม่ปีใหมนะ่แต่สิ่งสําคัญก็คือใจเราใหม่หรือเปล่านะใจเรายังขี้โกรธอยู่เหมือนเดิมใจเรายังขี้อิจฉาอยู่เหมือนเดิมใจเรายังขี้งดหิตอยู่เหมือนเดิมใจมันใหม่ไหมนะปีใหม่แล้วใจใหม่หรือเปล่านะนี่ก็หน้าพิจารณาหน้าสังเกตเนาะ ตัวเราเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามาเจริญสตินะมาดูกายดูใจนะปีใหม่ใจใหม่ไหมนะแน่นอนนะกายเนี่ยจริงๆมันก็ใหม่ทุกวันนั่นแหละนะเมื่อเราชำระล้างร่างกายแต่ใจของเราเนี่ยมันใหม่หรือเปล่าถ้าเรารู้สึกตัวชัดนะมันก็จะปล่อยวางความคิด หมกนุ่นคุ้นคิดนะสิ่งที่มังหมักห ม, มนะมันก็เกิดใจใหม่ขึ้นมาเองนะโดยธรรมชาตินะแล้วก็ใจที่ใหม่เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะเพียงแต่เราจะสังเกตหรือไม่เท่านั้นเองประการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะมันก็เป็นการทำให้ใจเนี่ยนะมันใหม่ของมันนะอยู่เรื่อยนะเป็นความสดนะเรียกว่าเป็นความรู้สึกสด นะเป็นใจสดๆใหม่ๆนะไม่ได้มกมุ่นคุ้นคิดนะเรื่องในอดีตนะหรือไปวิตกกังวลกับอนาคตนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะใจปัจจุบันความรู้สึกปัจจุบันนี่แหละนะเป็นสิ่งที่จริงแท้แน่นอนนะที่เราสัมผัสดไดนะ้ด้วยความรู้สึกตัว พราะจันต์สักรารใหม่นะเราควรจะต้อนรับด้วยใจที่ตื่นรู้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นความใหม่ของจิตใจแต่จริงๆแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรนะมันก็เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะใจที่เป็นปกติใจที่ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยมันมีอยู่เดิมแล้วนะซึ่งมันมีมาตั้งแต่เราเกิดนะแต่ว่าเราไปคุ้นชินนะกับอารมณ์กับความรู้สึกนึกคิดนะอันไหนที่เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกพอใจนะเราก็รู้สึกยินดีพอใจนะในสิ่งเหล่านั้นนะหรือถ้าไปเจอกับเหตุการณ์ต่างๆซึ่งทาให้เราเกิดความไม่พอใจขึ้นมา หนาใจมันก็ไม่ปกตินามันเกิดไม่พอใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตใจที่ไม่ปกติเนี่ยนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาทีหลังนาเป็นสิ่งที่เกิดมานาเพราะเราไม่รู้นาเพราะเรามีความหลงหนาความไม่รู้นาซึ่งตรงเนี้เป็นสิ่งที่เราจะแก้ไขได้นาด้วยการที่เรามาเจริญสตินี่เอง การเจริญสตนะิก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่กลับไปสู่ความเป็นปกติของใจนะซึ่งเป็นจิตใจดั้งเดิมนะที่มีอยู่แล้วนะและก็เป็นความสุขที่มีอยู่แล้วเป็นความสุขที่ได้มาปเปล่านๆะโดยไม่ต้อง เ, อเสียสตางนะไม่ต้องไปวิ่งหานะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเรา นะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการที่เราเพียรเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องโนะดยเฉพาะยงยิ่งการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุกโตนะในระยะวันหยุดนีนะ้หลายคนก็ได้ามาใช้ชีวิตนะมาใช้เวลานะในการที่จะมาดูกายดูใจของเรานะกายใจของเราที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนะแล้วก็ บางครั้งมันเผลอนะมันเผลอไปมันไม่รู้นะมันก็ไปยินดีมันก็ไปยินร้ายในสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนอาหารการกินอากาศสิ่งแวดล้อมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็จะทำให้เราเออถ้าเราไม่รู้ตัวนะนะใจมันก็จะผิดปกตินะมันก็จะดีใจเสียใจ อย่างวันนี้หลายคนนะจะรู้สึกว่าเอออากาศมันอุ่นขึ้นนะโเมื่อวานนี้อากาศมันหนาวมากนะตรงนี้ถ้าเราสังเกต ด, ดูเราก็จะเกิดความยินดีเอออากาศมันอุ่นขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะสังเกตได้นะหรือว่าเรื่องอาหารการกินนะช่วงนี้มีคนทามาเลี้ยงเต็มที่นะเราก็รู้สึกยินดีพอใจในอาหารการกินนะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยมันก็จะเกิดการติดอกติดใจนะติดใจในรสอาหารติดใจในสภาพแวดล้อมนะซึ่งถ้าเราติดใจเราพอใจถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นอาหารก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีผู้คนก็ดีไม่เป็นไปอย่างที่เราเคุยพอใจนะนก็จะเกิดความไม่พอใจนะเกิดความ ไม่ยินดีขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้เป็นสภาพที่มันพลิกผันอย่างรวดเร็วเพราะนั้นตรงนีนะ้ก็ต้องใช้ความแยบคายนะในการที่เราจเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องนะซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าผู้ที่จเจริญสติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นความแปลเปลี่ยนความพอใจไม่พอใจนะแล้วก็จะกลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็ว แม้แม้แต่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องนในชีวิตประจําวันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผู้คนสภาพแวดล้อมอากาศหรือว่าเสียงอุกติขึกโคมต่างๆหรือความสงบเป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตใช้ความแยบคายใช้ความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกฝนนั่นแหละที่เราฝึกฝนกันมา นะบางคนก็ฝึกกันมานานแล้วนะบางคนก็ยังใหม่อยู่นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะามาใช้ได้นะในการที่เราจะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจของเรานะเพราะนั้นสักรารใหม่ควรจะเป็นสักราชแห่งการตื่นรู้นะรับสักราชใหม่ด้วยใจที่ตื่นรู้ไม่ใช่รับสักรารใหม่ด้วยใจที่หลับไหลนะหลับไหลในความสนุกสนานความเพลิดเพลินความสะดวกสบาย นะตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เราประมาทเพราะนั้นถ้าเราเจริญสติมีใจที่ตื่นรู้นะอันนี้แหละเป็นการรับสกุลัดใหม่นะแล้วก็จะทําให้เกิดประโยชน์จริงๆริงนะทำให้เกิดชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่ตื่นรู้นะไม่ชีวิตที่ตกจมหมกนุ่นนะอยู่กับสิ่งที่เป็นความยินดีเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจนะซึ่ง ภาษาบาลีก็เรียกลมๆว่ากามคำว่ากามในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องผู้หญิงผู้ชายแต่หมายถึงอะไรก็ตามนะที่ทําให้เราเกิดความยินดีพอใจจะเป็นรสชาติของอาหารก็ดีนะสิ่งสวยๆงามๆก็ดีเสียงเพลาะๆนะกลิ่นที่หอมนะแล้วเราก็ติดอกติดใจนะนี่เป็นสิ่งที่ ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราไม่มีสติที่แยบคายพอเนี่ยมันก็จะตกจมนะแล้วก็มันก็จะถอนตัวออกมายากเพราะฉะนั้นคนที่ติดอยู่ในกามคำว่ากามในที่นี้เนี่ยนะหมายถึงความยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคนที่ตกจมเนี่ยก็จะเพลิดเพลินนะแล้วก็จะติดอกติดใจซึ่งตรงเนี้มันก็ทําให้เราถอนตัวออกมาลําบาก เพราะฉะนั้นคนที่จะถอนตัวออกมาได้นั้นก็คือคนที่มีสตินะคนที่รู้เท่าทันพิษภัยของมันพิษภัยของกามเพราะฉะนั้นคนที่มีสตินก็จะสัมผัสนกับสิ่งแวดล้อมกับอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยด้วยความรู้เท่าทันรสชาติอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมแต่เรารู้ความพอใจมันเกิดขึ้นเรารู้ทัน นะ้วก็รู้แล้วก็ผ่านนะไม่ไปตกจมจดจำอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอีกนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้นาะจากสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจาวันเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องของกายของใจเนี่ยหรือการเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะอยู่ในชีวิตประจาวันของเรานั่นแหลนะจากสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ นะแล้วก็คอยสังเกตดูใจของเรานะว่าใจของเราเป็นอย่างไรปกติหรือไม่ปกตินะที่เรียกว่ารู้หรือหลงนะที่บอกว่าบัณฑิตเนี่ยนะจะพยายามออกจากธรรมะที่เป็ น, ป น, ปนธรรมะที่ดำนะออกมาสู่ธรรมะที่ขาวนะที่เราสวนเป็นเมื่อสักครู่นี้ธรรมะที่ดำก็คือหลงนั่นเอง หลงไปนนในรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนะธรรมะขาวก็คือการที่เรารู้เท่าทันตรงนี้แล้วก็ไม่ไปตกจมนะให้ใจมันเป็นปกติของมันอย่างนั้นแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะกลายเป็นคนด้านชาเป็นคนเฉยชาแต่เป็นคนที่ตื่นรูนะ้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะแล้วก็ ไม่ตกจมอยู่กับสิ่งต่างๆณที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความยินดีหรือไม่ยินดีความพอใจหรือความไม่พอใจาเป็นใจปกติเฉยๆเฉยๆในที่นี้เฉยแบบรู้แบบตื่นรู้ไม่ได้เฉยแบบเย็นชาไม่ได้เฉยแบบสงบสยบณกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสติเนี่ย นะเป็นความสงบที่ตื่นรู้นะไม่ใช่สงบแบบนิ่งนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ฝึกจเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็มีความแยบคายนะในสิ่งต่างๆนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะตั้งแต่หยาบนะจนถึงละเอียดนะหยาบหยาบที่สุดก็คือการรู้กายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะมีความรู้สึก ที่กายเคลื่อนไหวนะบ่อยๆนะแล้วก็ไปรู้ความปวดความเมื่อยนะความพอใจในความปวดความเมื่อยนั้นนะหรือความไม่พอใจนะแล้วเราก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะอาศัยความรู้สึกตัวนี่แหละนะไปเห็นความคิดนึกต่างๆที่มันปลงแต่งนะทั้งที่เป็นความคิดในเอ่อสิ่งที่เป็นคุณงามความดี นะหรือคิดไปในทางที่ไม่ดีก็ตามนะตรงนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันมันรนะวมจนถึงอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะจะเป็นความม่วงเหงาเหงานอนความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดความลาคาลนะความโปร่งโล่งเบาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกปฏิบัติก็ดีหรือในขณะที่เราใช้ชีวฐิประจาวันก็ดนะีตรงนี้เราก็ต้องรู้เท่าทัน แล้วก็ผ่านอารมณ์เหล่านี้อย่าไปตกจมอยู่ในอารมณ์เหล่านี้นะผ่านนะเป็นทางผ่านนะเพราะฉะนั้นถ้าใจที่เป็นปกติเนี่ยมันก็คือสีนั่นเองเพราะฉะนั้นสีนี้มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสี อ, อย่างต่อเนื่องนะและเมื่อใจมันหนักแน่นมั่นคงนะมันก็เป็นสมาธินะแล้วเราก็เห็นความแปลเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงในะสภาพ ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วเราไม่ได้ไปตกจมอยู่กับมันเราถอยออกมาเราเป็นผู้ดูนั่นก็เป็นปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเกิดจากการเจริญสตินะตรงนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เพนะราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะและก็เป็นการรับสักการะใหม่นะด้วยใจที่ตื่นรู้นะศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นไปพร้อมกัน เมื่อเรามีใจที่เป็นปกติกายที่เป็นปกติเราก็สามารถที่จะทำการทำงานทําหน้าที่ต่างๆที่อยู่เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าของเราได้อย่างถูกต้องผิดพลาดน้อยลงหรือเราจะคิดวางแผนที่จะทำการงานต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการเอาความคิดมาใช้รู้จักการจัดระเบียบความคิดความคิดก็มี2อย่าง อันรกคือความคิดแบบเราไม่ได้ตั้งใจนะก็เรียกว่าความความความคิดแบบก็เรียกว่าลักคิดนะที่หลวงพ่อคำเขียนใช้อันนี้ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันจะมีมากนะตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความคิดอันนี้มันจะน้อยลงไปนะทีนี้มันจะมีความคิดอีกอันหนึ่งก็คือความคิดที่เราตั้งใจคิด เป็นความคิดที่เราจะใช้ในการทําการทํางานอันนี้เราจะดึงมาใช้ได้น่ะเมื่อสติสัมปชัญญะน่ะมันเต็มที่มันบริบูรณ์น่ะมันรู้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดถึงเวลานอนก็นอนน่ะมันไม่คิดน่ะเรียกว่าพลังแห่งความรู้สึกตัวหรือพลังแห่งการตื่นรู้เนี่ยมันสามารถทําหน้าที่ของมันแล้น่ะมันสามารถที่จะควบคุมความคิดได้ละมันสามารถที่จะจัดระเบียบความคิดได้แล้ว เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะนะคนที่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไปแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีความคิดหรือเปล่านะไปกังวลไม่ต้องกลัวเลยนะเดี๋ยวถึงเวลากลับไปแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ขอให้ระหว่างที่เราฝึกเนี่ยให้ความรู้สึกตัวมันเด่นอย่าให้ความคิดมันเด่นแต่ก่อนเนี่ยความคิดมันเด่นนะเราคิดไปนั่นคิดไปนี่คิดไปสารพัดจะคิดเนะ พลังมันมากกําลังมันมากตัวต่อร อ, องของความคิดก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองเพราะนั้นที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็คือฝึกให้ความรู้สึกตัวมันเด่นมันมีกําลังมากกว่าความคิดนะมันก็จะทําให้ความคิดนั้นมีกําลังอ่อนลงไปเพราะนั้นการฝึกจเจริญสตินะโดยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเน้นตรงให้เรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวให้บ่อยๆและความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี่แหละหนะ ที่ยทำให้เราไปเห็นความคิดนึกนาะที่มันเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบนาะแล้วก็อาการต่างๆนาะที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนาะที่มันมีอยู่ตลอดเวลานาะแต่ก่อนเนะี่ยเมื่อสติสัมปชัญญะเรายัางไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์หรือยังไม่ไม่มากพอเนี่ยนาะเมื่ออะไรเกิดขึ้นกับกายก็ดีเกิดขึ้นกับใจก็ดีเราก็จะหลงไปยึดถือมัน นะเช่นเราปรวดเราเมื่อยนะเราก็รู้สึกโอ้โหตัวเราตัวเราปรวดเราเมื่อยนะมันทนไม่ไหวนะแต่ถ้าเมื่อใดที่เรามีสติรู้เท่าทันเราก็จะอ๋อมันก็อาการปรวดอาการเมื่อยไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเกิดการปล่อยวางเองนะด้วยเ อ, อพลังของความรู้สึกตัวนั่นเอง น, นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้เรานะมีชีวิตนาะที่เป็นปกติสุขแม้ว่าจะมีความทุกข์ทางกายนาะที่เกิดขึ้นนาะแล้วเราก็ปล่อยวางได้นาเราก็แก้ไขบรรเทาไปนาะปวดเมื่อยเราก็อาจจะเปลี่ยนอิเดียบทนาะเราหิวเราก็หายเราก็กินเราก็ดื่มนาะในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนาะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะ ใช้สติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝึกนะทีนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีมีกายมีใจที่เป็นปกติแล้วนะเมื่อเราต้องไปเกี่ยวข้องนะกับบุคคลนะเราก็จะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไปเกี่ยวข้องกับการงานนะก็รู้ว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังนะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ นะมันก็จะเกิดการพิจารณาใครครวนนะในสิ่งที่ควรทำอะไรที่ควรทำอะไรไม่ควรทำนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราได้สัมผัสนะกับสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะกับตัวเราเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับนผะู้เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์กับนสะังคมกับการงานด้วยเมืนะ่อเรามีความสุขนะที่ได้จากการ ทีสัมผัสนะกับความเป็นปกติของใจแล้วเนี่ยนะการที่จะไปวิ่งแสหาความสุขจากานอกเนี่ยมันก็จะลดลงมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายนะเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงใช้จ่ายน้อยลงมีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นนะไม่ต้องไปวิ่งเหมือนที่แล้วๆมานะตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับประโยชนนะ์จากการที่เราได้มาเจริญสติ เพราะนั้นในช่วงที่เราได้มาร่วมกันนะใช้ชีวิตฝึกเจริญสติเนี่ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ได้กลับไปติดตัวเราเนะมื่อเราไปทำการนำงานกลับไปสู่บ้านเรือนนะและก็เป็นการฉลองปีใหมนะ่ที่ทำให้เราได้รับชีวิตใหม่จริงๆนะไม่ใช่เป็นการฉลองปีใหม่นะเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะแล้วก็ได้ความ ติด อ, อกติดใจกลับไปนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราได้เครื่องมือนในการที่จะดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขนะด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตที่นี่นะเราได้มาร่วมกันรับสักการะใหม่นะด้วยใจที่ตื่นรู้นะแล้วก็ เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราต่อไปนะเมื่อกลับไปก็อย่าลืมนะให้ทำในรูปแบบนีแหละนะอย่าไปทิ้งอย่าไปอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่สำคัญนะเรารู้แค่ในชีวิตประจำวันก็พอแล้วนะถ้ายังไม่ถึงที่สุดอย่าประมาทนะนี่เป็นสิ่งที่ตัวกระผมนิธตรมมาเองนะก็เคยมีประสบการณ์นะบางครั้งเราก็คิดว่าพอตัวแล้ว นะเพียงพอแล้วนะแล้วเราก็ทิ้งรูปแบบไปซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียด้อย่างน้อยๆ น, นะก่อนนอนตื่นนอนนะก็ทำห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีครึ่งชั่วโมงก็ยังดีทาให้มันเป็นนิสัยเลยนะเรากินข้าววันละสามมือเนี่ยเราเจริญสติสักวันละสองมือได้บ่านะตื่นนอนก่อนนอนเนี่ยแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามฉวยโอกาส นะครึ่งนิ้วมือเล่นก็ได้นะโยกไปโยกมารู้สึกตัวกระดิกเท้าเล่นก็ได้นะถ้าเราไม่ทําในรูปแบบนะแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็พยายามที่จะทาในรูปแบบนะตรงนี้มันจะเป็นพื้นฐานเนาะเป็นหลักสำคัญที่เราจะใช้นะในการที่จะพัฒนาสตินะหรือความรู้สึกตัวให้ได้ต่ออย่างต่อเนื่องพระนั้นสิ่งสาคัญที่สุดก็คือการทาให้มันต่อเนื่อง นะอย่าให้ขาดช่วงนะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันก็ดีการทำอะไรก็ดีพยายามเจตนาที่จะรู้สึกตัวเข้าไปนะโดยเพาะคนใหม่ๆนะแต่ถ้าทาไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติแล้วก็อาจจะไม่ต้องเจตนามากนะอันนั้นเราก็ต้องสังเกตดูตัวเราเองแลนะ้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะได้พิจารณา แล้วก็นำไปฝึกฝนนะแล้วก็ปฏิบัติกันต่อไปนะความเพียรเนี่ยนะมันจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เหมือนกันนะก็อยากจะฝากไว้อลไในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีอยู่ในทุกคนพระธรรมคือสัจธรรมความจรงิงนะที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและประสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติดีนะผู้ที่เจริญสตินะก็คือตัวเรานั่นแหละนะตัวความรู้สึกตัวนะที่สังเกตความจรงิงนะของสัจธรรมต่าง นะและก็ได้วความเพียรพยายามของทุกท่านนะจงเป็นพละวะปัจใจหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความจริงได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะทำให้ชีวิตนะเป็นชีวิตที่เป็นปกติสุขนะสัมผัสกับสุขเกษมสารนะที่มีอยู่แล้วในใจของเราทุกคนโดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร